2. พิคุณีวิพังโซลสะมหาวาระตอนสองหนึ่งกัถะปัญญติวาระวาระว่าด้วยบัญญัตินะที่ไหนหนึ่งปราชิกกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปราชิกกันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติปราชิกสิกขาบทที่ห้แก่ภิกษุณีทั้งหลายณที่ไหนทรงปรารบใครเพราะเรื่องอะไรในปราชิกสิกขาบทที่หนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปันณบัญญัติสัพพะทบัญญัติปเทสบัญญัติสาธารณบัญญัติอัสาธารณบัญญัติเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือบรรดาปาติโมคุเทศห้าอุเทศ ปราชิกศึก้าบทที่5จัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนมาสู่อุเทศโดยอุเทศไหนบรรดาวิบัสสอย่างเป็นวิบัสิอย่างไหนบรรดากองอาบัตรจกองจัดเข้ากองอาบัตไหนบรรดาสมุฐานแห่งอาบัต6สมุฐานเกิดด้วยสมุฐานเท่าไหร่บรรดาอาธิกร4สี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดาสมัานเจดอย่างระงรับด้วยสมถาเท่าไหร่ ในปราชิกรศกขาบทที่หนั้นอะไรเป็นพระวินัยอะไรเป็นอภิวินัยอะไรเป็นพระปฏิโมกอะไรเป็นอธิปฏิโมกอะไรเป็นวิบัติอะไรเป็นสมบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปราชิกรศกขาบทที่หแก่ภิกษุณีทั้งหลายทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรใครศึกษาอยู่ใครศึกษาศึกขาเรียบร้อยแล้วศึกขาบทนี้ตั้งอยู่ในใคร ใครทรงเอาไว้เป็นถ้อยคําของใครใครนํามาปราชิกริกขาบทที่หถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปราชิกริกขาบทที่หแก่ภิกษุณีทั้งหลายณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบ ทรงปรารบภิกษุณีสุนทรี 03. นันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรี 03. นันทามีความกำนัดยินดีการถูกต้องกายกับชายผู้กำนัดถามในปราชิกสิกขาบทที่หนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในปราชิกสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติ ไม่มีอนุปันณาบัญญัติถามมีสัพพัทบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพัทบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอาศาทธรณะบัญญัติอยู่หรือตอบมีอสาธารณะบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกโตบัญญัติถามบรรดาพระปาติโมขุเทศสีอุเทศ รารชิกสิกขาบทที่หจัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจะเข้าในนิทานุเทศนับเนื่องในนิทานุเทศถามมาสูอุเทศโดยอุเทศไหนตอบมาสูอุเทศโดยอุเทศที่สองถามบรรดาวิบัสสีอย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นศีลวิบัติถาม บรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตไหนตอบจัดเข้ากองอาบัตปาราชิกถามบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคยเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาถามบรรดาอาธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนตอบเป็นอาปตตาธิกร ถามบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบระ ง, งับด้วยสมถะสองอย่างคือ 1. สา ม, มุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตากะระณะถามในประราชิกสิกขาบทที่หนั้นอะไรเป็นพระวินยัยอะไรเป็นอภิวินยัยตอบพระบัญญัติเป็นพระวินยัยการจำแนกเป็นอภิวินยัยถามในประราชิกสิกขาบทที่หนั้น อะไรเป็นพระปาติโมกอะไรเป็นอธิปาติโมคตอบพระบัญญัติเป็นพระปาติโมกการจำแนกเป็นอธิปาติโมคถามอะไรเป็นวิบัติตอบความไม่สํารวมเป็นวิบัติถามอะไรเป็นสมบัติตอบความสํารวมเป็นสมบัติถามอะไรเป็นข้อปฏิบัติตอบ การที่ภิกษุณีสมาทานอาปาณาโกติกะศีลตลอดชีวิตว่าเราจะไม่ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วศึกษาในสึกขาบททั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติถามพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปราชิกศึกขาบทที่หแก่ภิกษุณีทั้งหลายทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรตอบทรงบัญญัติปราชิกศึกขาบทที่5แก่ภิกษุณีทั้งหลายทรงอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือ 1>, 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์สเพื่อความพาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อค่มพิกษุนีผู้เกอ้อยาก 4. เพื่อความอยู่ภาสุขแห่งเหล่าพิกษุนีผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส แเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 10. เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยถามใครศึกษาอยู่ตอบภิกษุณีผู้เป็นพระเสขะและเป็นกรรยาณปุตุชนศึกษาอยู่ถามใครศึกษาศึกขาเรียบร้อยแล้วตอบ ภิกษุณีผู้เป็นพระอระหันต์เป็นผู้ศึกษาศึกษาเรียบร้อยแล้วถามศึกษาบทนี้ตั้งอยู่ในใครตอบตั้งอยู่ในศึกษาการมบุคคลผู้ใครศึกษาถามใครทรงเอาไว้ตอบภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงจำปราชิกศึกษาบทที่5ได้ทรงเอาไว้ถามเป็นถ้อยคำของใครตอบ เป็นพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถามใครนำมาตอบพระเทระทั้งหลายนำเสือบสืบกันมารายนามพระเทระผู้ทรงจำพระวินัยเสือบกันมาพระเทระเหล่านี้คือพระอุบาลีพระทาสกะพระโสนกะพระเสกขวะและพระโมคคีบุตรรวมเป็นห้ารูป เป็นผู้นำพระวินัยเสืบเสือบกันมาในชมพูทวีปอันมีสิริจากนั้นพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินทะพระอิตยะพระอุติยะพระสัมภะและถึงพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัยฉลาดในมักได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้ในเกาะตามภะปันนิปราชิกสิกขาบทที่ห ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติป ร, ราชิกสิกขาบทที่6แก่ภิกษุณีทั้งหลายณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีถุลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลนนันทารู้อยู่ ไม่ทักทวงภิกษุณีผู้ต้องทําคือปราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะในปราชิกสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคยเกิดทางกายวาจากับจิตปราชิกสิกขาบทที่7ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่7แก่ภิกษุณีทั้งหลายหน้าที่ไหนตอบทรงบัญญัติหน้ากรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันทาประพฤติตามภิกษุชื่ออริ tha ผู้มีบรรพบุรุษเป็นนายพรานฆ่านกแรง้งที่สงพร้อมเพลียงกันลงอุเคปนิยกรรม ในปราชิกสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นทุรนิเคปะสมุทฐานปราชิกสิกขาบทที่8ถามพระผู้มีประภาคอรหันตสัมมาสัสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติ ป, ปราชิกสิกขาบทที่8แก่ภิกษุนีทั้งหลายณที่ไหนตอบ ทรงบัญญัตินากรสาวัถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุณีฉะพักีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุณีฉัพักีทําวัตถุครบทั้ง8ประการในปราชิกเิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธานแห่งอาบัตหกสมุฐานเกิดด้วยสมุฐานสมสมุธานเป็นทุรนิเค ป, ปะสมุธาน ปราชิกแปสิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในประชิกันพระมหาวีระทรงบัญญัติประชิกซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการขาดยังไม่ต้องสงสัยคือประชิกสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเศษเมถุนธรรมประชิกสิกขาบทที่สองว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประชิกสิกขาบทที่สว่าด้วยการพรากายมนุษย์ ปราชิกสิกขาบทที่4ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมปราชิกสิกขาบทที่5ว่าด้วยการยินดีการจับต้องที่บริเวณเหนือข่าขึ้นไปของชายปราชิกสิกขาบทที่6ว่าด้วยการปกปิดโทษปราชิกสิกขาบทที่7ว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมปราชิกสิกขาบทที่8ว่าด้วยวัตถุแปด มีการยินดีการจับมือของชายเป็นต้นประชิก8ปศิษาบทนี้เป็นมูลแห่งการตัดขาดยังไม่ต้องสงสัย 2. ส, สังฆาที่เศษกัน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 ในสังคาที่เซสสักสขาบทที่หนึ่งนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในสังคาทีเซสสักขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติไม่มีพระอนุบัญญัติและอนุปปณะบัญญัติถามมีสัพพับัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพัทบัญญัติถามมีสาธารณบัญญัติอาสาธารณบัญญัติอยู่หรือ ตอบมีอาสาธารณบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกโตบัญญัติถามบรรดาปติโมขุเทศสี่อุเทศสังฆาทิเศษศิขาบทที่หนึ่งนี้จัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจัดเข้าในนิทานุเทศนับเนื่องในนิทานุเทศถามมาสูอุเทศโดยอุเทศไหน ตอบมาสู่อุเทศโดยอุเทศที่สถามบรรดาวิบัตสอย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นศีลวิบัติถามบรรดากองอาบัตเ7กองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตสังขาริเศษถามบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐาน คือหนึ่งเกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายวาจากับจิตถามใครนํามาตอบพระเถระทั้งหลายนําสืบสืบกันมารายนามพระเถระผู้ทรงจําพระวินัยสืบกันมาพระเถระเหล่านี้คือพระอุบาลีพระทาสกะพระโสนกะพระสิกขะและพระโมคคลีบุตรรวมเป็นห้ารูป เป็นผู้นำพระวินัยสืบสืบกันมาในชมพูทวีปอันมีสิริจากนั้นพระเทระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินทะพระอิติยะพระอุติยะพระสัมภะและถึงพระเทระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัยฉลาดในมักได้ประกาศพระวินัยปิฎกไว้ในเกาะตามมพระปันี้ สังคารทิเสสศสสักขาบทที่สองถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคารทิเศษแก่ภิกษุณีที่บวให้สตรีผู้เป็นโจรณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารถใครตอบทรงปรารถภิกษุณีทุนลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถูนลนันทาบทให้สตรีผู้เป็นโจรในสังคาที่เซสะสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐา น, านคือ 1. เกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย 2. เกิดทางกายวาจากับจิตสังคาที่เซสะสิกขาบทที่สาถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตสังฆาทิเศษแก่ภิกษุณีผู้ไปสู่และแวกหมู่บ้านรูปเดียวณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตณนะกรงสาวัตถีถามทรงปรารคใครตอบทรงปรารคภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งไปสู่และแวกหมู่บ้านรูปเดียว ในสังคาทิเศษสสิกขาบทที่สมนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสมพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธานแห่งอาบัตหกสมุธานเกิดด้วยสมุธานหนึ่งสมุฐานเป็นปฐมปาราชิกสมุฐานสังคาทิเศษสสิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่พิษุนี ผู้เรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพลียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินยัยโดยสัตุศาสต ร, ร์ให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการกส่์ทั้งไม่รับรู้ฉันทะของคณะณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณากรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันธา เรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพลียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการรกสงทั้งไม่รับรู้ฉันทะของคณะในสังคาทิเสสสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฐานแห่งอาบัตห6สมุทานเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุธานเป็นทุรนิเขปะสมุฐานสังฆาทิเสสะสิกขาบทที่ห้า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 ทรงบัญญัตสสิสังฆาธิเศษแก่ภิกษุณีผู้ส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นั้นจะกำนัดหรือไม่กำนัดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำนัดนิมนเถิดแม่เจ้าชายผู้นั้นจะถวายสิ่งใดจะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามแก่ท่านท่านจงรับประเคนของนั้นด้วยมือของตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดนณะที่ไหนตอบ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 ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแคร์พิสุนีผู้โกรธไม่พอใจไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งทรงสวดสมนุภาพครบสามครั้งณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพิษุณีจันทกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิสุนีจันทกาลีโกรธไม่พอใจ กล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกคืนพระพุทธบอกคืนพระธรรมบอกคืนพระสงฆ์บอกคืนศิกขาในสังฆาทิเสสศสิกขาบทที่เจนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฐานแห่งอาบาดหกสมุธานเกิดด้วยสมุธานหนึ่งสมุธานเป็นธุรนิเคปะสมุฐานสังฆาทิเสสะสิกขาบทที่8ถาม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 ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันทกาลีถูกตัดสินให้แพ้คดีดในอธิกรณ์บางเรื่องโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ภิกษุณีลำเอียงพระชอบผู้ภิกษุณีลำเอียงพระชังผู้ภิกษุณีลำเอียงเพราะหลงผู้ภิกษุณีลำเอียงพระกลัวในสังฆาทิเสสศึกษาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐาน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 พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิษุณีผู้ส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลือกันอย่ายแยกกันอยู่ไม่ยอมฉละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปราบภิกษุณีถุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลนันธาส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ในสังฆาทิเศษสักคคาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทาหนึ่อาบัตหกสมุฐานเกิดด้วยสมุทานหนึ่งสมุทานเป็นทุระนิเคปสมุฐาน สังฆาทิเศษสิบสิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเศษสกันสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการก่อคดีพิพาสสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สองว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้เป็นโจรสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สว่าด้วยการเข้าระแวกหมู่บ้านตามลําพังเป็นต้นสังคาทิเศษสิกขาบทที่สี่ ว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกสงลงโ อ, อเคปนิยกรรมเข้าหมู่สังขารที่เสสะสิสกขาบทที่5ว่าด้วยการรับโภชนะจากมือชายผู้กำนัดสังขารที่เสสะสิกขาบทที่6ว่าด้วยการส่งเสริมภิกษุณีให้รับโภชนะจากมือชายผู้กำนัดสังขารทีเสสะสิกขาบทที่7ว่าด้วยการบอกเคินพระรัตนตรัยสังขารทีเสสะสิกขาบทที่8 ว่าด้วยภิกษุณีกโกรธเพราะถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์สังฆาทิเศษสศิกขาบทที่9ว่าด้วยภิกษุณีมีความประพฤติเลวซามสังฆาทิเศษสศิกขาบทที่ 10- ว่าด้วยการยุยงส่งเสริมให้ภิกษุณีประพฤติเลวซามรวมอาบัตสังฆาทิเศษส0ศสิกขาบท 3. นิสัียีกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในนิสัียีกันสิกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสักขีปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ทำการสะสมบาสนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบ ทรงปรารพวกภิษุณีชาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิษุนีชาพคีทําการสะสมบาตรในนิสัคียาปาจิตติสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกถิ น, นะสมุทฐานสิกขาบทที่สองถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสักียปาจิตติแก่ภิกษุณีผู้อธิษฐานอากาละจีวรเป็นการละจีวรแล้วให้แจกกันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตนากรุงสาวัตถีถามทรงปราบรบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทรรนุนลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธาอธิษฐานอากาละจีวรนเป็นการลจีวรนแล้วให้แจกกันในนิสสัคคยาปาจิตตีศิขขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานศิขขาบทที่สาถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติในสักยญปาจิตีแก่ภิกษุณีผู้แลกเปลี่ยนจีวรแก่ภิกษุณีแล้วชิงเอาคืนณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุนลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันทาแลกเปลี่ยนจีวรแก่ภิกษุณีแล้วชิงเอาคืน ในนิสักยญาปาริจิตีสิกขาบทที่สมนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานสิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสักยญาปาริจิตีแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วกลับออกปากขอของอีกอย่างหนึ่งณนะที่ไหน ตอบทรงบัญญัตนากรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีถุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุนลนันธาออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วกลับออกปากขอของอีกอย่างหนึ่งในนิสักขียปาจิตติสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐาน เกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐานสิกขาบทที่หถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสกียปาจิตตีแกลภิกษุนีผู้สั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วกลับให้ซื้อของอีกอย่างหนึ่งณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตณกรงสาวัตถีถามทรงปรารกใคร ตอบทรงพระรบภิกษุณีทุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันธาสั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วกลับให้ซื้อของอีกอย่างหนึ่งในนิสกิยปาจิตตีิศิขาบทที่5นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐาน6สมุทฐานศิขาบทที่6ถาม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 ทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปให้เอาบริขารคือเขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ ป, ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแ ก, ก่ภิกษุณีจํานวนมากแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นในนิสกิยาปาจิตตีิสขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบทรงปราบรกภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปให้เอาบริคารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจำนวนมากที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่น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 ที่เขาบริจาคแก่บุคคลที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบรบภิกษุณีทุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันธาให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่บุคคล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 เกินราคาสีกลางสะณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธาออกปากทูลขอผ้ากัมพลจากพระราชาในนิสกิยปาจิตตีสิสขาบทที่11นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐาน เกิดด้วยสมุทฐานหกสมุทฐานสิกขาบทที่สิบสองถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสขียปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ขอผ้าห่มบางเกินราคาสองกังสะครึ่งณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตนากรงสาวัตถีถามทรงปราบรใครตอบทรงปราบรภิกษุณีทูนลนันทา ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทูนลนันทาออกปากทูลขอภาพเปลือกไม้จากพระราชาในนิสกิยปาจิตตีสิกขาบทที่12บสองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทรานแห่งอาบัตหกสมุทานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐานนิสกิยปาจิตตีสิบสองสิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในนิสกิยกัน Rumor, สิกขาบทที่1ว่าด้วยการสะสมบาศสิกขาบทที่สองว่าด้วยการแจกอาการะจีวรนสิกขาบทที่3ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวรนสิกขาบทที่4ว่าด้วยการออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอของอย่างอื่นสิกขาบทที่5ว่าด้วยการให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่นสิกขาบทที่6 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริการที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่1นึ่งสิกขาบทที่7ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริการที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่2องสิกขาบทที่8ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริการที่เขาถวายคณะข้อที่1นึสิกขาบทที่9ว <squish> ่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริการที่เขาถวายคณะข้อที่2องสิกขาบทที่10ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริการที่เขาถวายบุคคล สิกขาบทที่11ว่าด้วยการขอผ้าห่มหนาในฤดูหนาวสิกขาบทที่12ว่าด้วยการขอผ้าห่มบางในฤดูร้อน 4. ป้ปาจิติยกัน คำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติยกัหนึ่งและสุนวักเสกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่พิสุนีผู้ฉันกระเทียมณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนคะรุงสาวาถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงพระรบภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาให้นำกระเทียมไปโดยไม่รู้จักประมาณในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบาดหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโล ม, มาสมุทฐานสิกขาบทที่สองถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ให้ถอนขนในที่แคบณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราลรบุคภิกษุณีฉะพัาพาคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พว้ภิกษุณีฉะพัาพาคีให้ถอนขนในที่แคบ ในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสี่สมุทฐานสิกขาบทที่สาถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติเพราะใชฝ่ามือตกณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารุกใคร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 ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติเพราะใช้ท่อนยางณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใช้ท่อนยางในสิกขาบทที่4นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐาน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 ผู้ปรนิบัติภิกษุผู้กำลังฉันด้วยน้ําดื่มและด้วยการพัดณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งปรนิบัติภิกษุผู้กำลังฉันด้วยน้ําดื่มหรือด้วยการพัดในสกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทรฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทรฐานเป็นเอละกะโลมสมุทรฐานสิกขาบทที่7ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอเข้าเปลือกดิบมาฉันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปลารคใคร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 หรือของเป็นเดนบนของเขียวณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพิสุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิสุณีหลายรูปเทอุจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างอยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างบนของเขียวในสิกขาบทที่9้านั้นมีหนึ่งพระบัญญัต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 ตอบทรงปรารถพวกพิษุนีฉับพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพคีไปดูการฟ้อนรำการขับร้องการประคมดนตรีในสิกขาบทที่10นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะลมะสมุทฐานและสุณวักที่หนึ่งจบ